เากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้นแน่แวแน่เราปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติอย่างอื่นปฏิบัติใจของตัวเองนั่นแหละพยายามรักษาใจดวงนี้ไว้ให้มันดี จะให้มันคิดไปในทางบาปอกุศลถ้าหากว่าพูดโดยย่อๆแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเผยแผ่พุทธศาสนาของพระองค์พระองค์ก็มุ่งให้ พุทธศาสนิกชนทั่วๆไปรู้จักรักษาจิตของตัวเองให้มันตั้งอยู่ในความสงบระงับให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาความรู้นี่แหละความฉลาดนี่เนี่ยว่าเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียว คนเราถ้าหากว่าไม่ฉลาดแล้วก็จะเอาตัวรอดจากทุกไปไม่ได้เพราะกิเลสมันก็มีเล่ห์เดียมของมันไม่น้อยมันหลอกจิตใจของคนเรานี่ให้หลงละเมอไปให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆในโลกนี้ได้ เป็นอย่างดีทีเดียว mm hmm. มันหลอกให้คนเราหลงยินดีไปในสิ่งที่มันให้ทุกข์ให้โทษห mm hmm. ลงยินร้ายไปในสิ่งที่ไม่ควรยินร้ายห mm hmm. ลงมัวเมาไปในสิ่งที่ ไม่มีประโยชน์คนไม่ฉลาดแล้วเป็นอย่างนี้แหละเรียกว่าถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดนี่มันเดินตามทางไปถูกทางบ้างไม่ถูกทางบ้างไปอย่างนั้นแหละ อันนี้สันใดก็อย่างนั้นคนที่ไม่มีปัญญาหรือปัญญาน้อยเช่นนี้มันก็ไม่สามารถที่จะตั้งจิตให้มั่นต่อกุศลคุณงามความดีอย่างเดียวได้เผลอเผอตั ว, ตวมันก็เอียงไปทางบาปอากุศลพอรู้ตัวมามันกล ตั้งจิตเป็นกุูสขึ้นดังที่เราจะเห็นได้ผูกครองเรือนทั้งหลายอันคราวใดหลงมากก็ห่างเหินจากวัดวาอารามก็มีแต่เพลินไปตามเรื่องที่ไม่เป็นสาระแกน่นสานนั่นแหละมากตอมาก คราวใดเมื่อร ล, ลึกขึ้นมาได้ต่างจากคมเมาไปบ้างก็ตื่นตัวนึกถึงบุญนึกถึงคุณระัตนากลแล้วก็เข้าวัดทำบุญฟังธรรมไปบ้างก็เป็นอยู่นี่แหละ จิตใจของบุคคลผู้ไม่ฉลาดแล้วก็ไม่สามารถจะรักษาจิตตัวเองนี้ให้ยืนหยัดอยู่ในกุศลคุณงามความดีได้มักจะเอียงไปข้างซ้ายมักจะเอียงไปข้างขวาอยู่อย่างนั้นอย่าวว่าแต่ผู้ครองเรือนเลย แม้แต่เป็นนักบวชนี่ก็เหมือนกันเมื่อเป็นผู้มัวเมาประมาทแล้วมันก็เอียงซ้ายเอียงขวาอยู่อย่างนั้นแหละดวงจิตเนี้ไม่ปกติอยู่ได้ดังนั้นนะการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้มีปัญญารักาษาจิตนี้ให้เป็นปกติ รู้ปกติเห็นความจริงของสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองก็ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงสม่ำเสมอไปเพราะว่าสังขารเรื่องสองประเภทนี้มันก็ตกอยู่ในลักษณะสามเหมือนกันหมด คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความแปรผันวันไว้ไปมาไม่คงที่อยู่ได้ความเป็นผู้ที่ไม่จะได้บังคับวันชาของสิ่งใดไม่มีใครจะมาบังคับสังขารทางหลายที่มีวิญญาณคล้องก็ดีไม่มีวิญญาณคล้องก็ดีให้เที่ยงให้ยั่งยืนอยู่ได้ นี่ทุกสิ่งที่อย่างที่แวดล้อมตัวของเราอยู่นี่นะมันก็ตกอยู่ในลักษณะสามประการนี้ทั้งหมดเลยตัวของเรานี่ก็จัดว่าสังขารที่มีวิญญาณคลองต้องให้อย่าไปมองเห็นแต่ผ่ายนอกไปนู่นต้องย้อนเข้ามาดูตัวเองนี่มันก็จับเป็นสังขาร เหมือน ก, นกันกับภายนอกนั่นแหละเพราะว่ามันมีสภาวะเหมือนกันเนี่ยหดังนั้นเนี่ยจะต้องกำหนดรู้พิจารณาให้เห็นเป็นสักแต่ว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นเองธาตุสี่ขันห้าอันเนี้ย หรือว่ากายกับใจอันนี้นะ่ะมั น, นหาได้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาดังที่สมมุติกันมานั้นไม่เพียงแต่สมมุติเอามาใช้พอได้ติดต่อกัน ร, รู้เรื่องราวของกันและกันเท่านั้นเองกา่พ้าพเพ่งไปถึงความจริงแล้ว มันไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในนี้เลยดังนั้นนะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้พระศาสดาทรงมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติยังความคิดความเห็นขอตนลงไปให้มันถึงความจริงเหล่านี้ให้มันได้ไม่แค่นั้นแล้ว ก็เชื่อว่ายังไม่เข้าถึงธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็จะติดอยู่เพียงแค่สมมุติเท่านั้นแหละเมื่อผู้ใดติดอยู่ในแค่สมมุติมุขอยู่นั้นก็อยู่ในโลกนี้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้เมื่อคล้องอยู่ในโลกนี้ มันก็เป็นทุกข์อย่างที่เราเกิดมาในชาตินี้แหละถ้ายิง่งผู้ที่มัวมัประมาทแต่ตชาติก่อนไม่ได้ทำความดีไว้มากทำไว้แต่น้อยเกิดมาในชาตินี้ก็ยิ่งได้ประสบกับความทุกข์มากมายมความผิดหวังสารพัด เขามีดาบคือมีเงินมีทองมากมายตนไม่มีมเขามียศเขาเป็นเจ้าเป็นนายเขาเป็นเศรษฐีก ะ, ะบอดีมีคนนับหน้าถือตา ม, มากผู้นั้นไม่มีมีแต่ได้รับความตีขินมินทาเยียดยามดูมินเป็นคนจนทรั บ, บปัญญา แล้วก็มักจะได้ประสบแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจเพราะว่ามันผิดหวังเอในสิ่งที่ต้องการปรารถนาดังกล่าวานั้นมีแต่ความระทมทุกข์อยู่ในใจ mm hmm. นี่ชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้อันบุคคลผู้เมวประ ม, มาทแล้วยิ่งได้ประสบความทุกข์มากกว่า คนที่ไม่ประมาทตั้งแต่ชาติก่อนทุนหลังก็ตั้งอกตั้งใจก็ทำคุณงามความดีมาตามกำลังความสามารถของตนของตนเห็นผลขวายในทานการให้การบริจาคมาผลขวายในศีลตั้งจิตเจตนาวิรตตะเวน จากการ เ, รเรบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ไม่ร่วงเกินนี่เรียก ว, ว่าเป็นผู้ขอนขวายในสิ้นเป็นผู้ขอนขวายในการอยากจะฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อได้ทราบข่าวว่าที่ไหนท่านมีการแสดงธรรมก็ สละเวลาไปไปฟังธรรมก็ได้ความรู้ความสลาดในคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้จักแนวทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แล้วก็สนใจในการทำความสงบกายสงบใจได้แก่การนั่งสมาธิภาวนามุง่งทำใจให้สงบระ ง, งับจากนิวร์ห้า Mm hmm. จะไม่ยอมปล่อยให้นิวรณธรรมทั้งห้าประการนี้ครอบงำกายครอบงำจิตใจนี้เลยพยายามอยู่อย่างนั้นนี mm hmm. ่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความขวนขวายในทางที่ถูกที่ชอบที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้จริงๆเพราะว่า ผู้ที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนจะได้แก่ดวงจิตคือความรู้สึกสึก ค, คิดดวงเดียวนี่แหละที่มันแสดงออกทางกายทางวาจาบนว่าทุกข์ทุกหนอทุกหนอนี่ไม่ใช่กายวาจามันทุกข์หรอกความจริงไนะใจน่นเป็นทุกข์แต่ว่าใจนั่นมันมัน พูดออกมาเป็นเสียงไม่ได้กระเจึงต้องอาศัยกายนี่แหละเพราะว่าเมื่อจิตนี่นึกคิดอย่างไรตั้งเจตนาว่าจะแสดงออกอะไรมาทางวาจา ม, มันก็เปล่งวาจาออกมาได้เลยเพราะว่าใจาเป็นผู้บังคับเป็นผู้ปรุงแต่งวาจา ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครแสดงอะไรออกมาทางกายทางวาจาจะเป็นทางที่ดีก็ดีเป็นทางที่ชั่วก็ดีมันก็มันก็ส่อให้เข้าไปถึงดวงใจนันเมื่อใจดีมันก็แสดงอาการกิริยากายวาจาดีละมุนละมมีเหตุมีผล เมื่อใจมันไม่ดีใจมันถูกความโลภโกรธหลงครอบงำมันก็แสดงอาการไม่ดีออกมาทางกายทางวาจา mm hmm. ก็อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงว่าไอความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาทางกายหรือทางวาจานี่มันก็ไปอยู่ที่ใจตรงเดียวนั้นเอง mm hmm. เพราะว่าเมื่อใจตรงนี้มันถอนออกจากร่างนี้แล้วนะร่างอเ น, นี้่กใครจะสับฟันบันทอนอยังไงยังไงมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดเมื่อดิ้นรนกระวนกรวายอะไรเลยมันก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนหนึ่งหรือท่อนกล้วยท่อนหนึ่งที่เขาตัดลงทิ้งไว้บนดินใครจะไปสับไปฟันยังไงยังไง มันก็ไม่เจ็บไม่ร้องควงคางอะไรเลย น, ะนี่ให้สันนิษฐานดูให้ดีดังนั้นนะ่ะถ้าผู้ใดเข้าใจความจริงของร่างกายกับใจอย่างว่ามานี้แล้วผู้นั้นก็จะมาสอนใจของตัวเองนี่นะให้มันรู้เท่าสังขารร่างกายต่างๆเหล่านี้ตามเป็นจริงรู้อย่างไร ก็รู้ว่าเมื่อร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแล้วอย่างนี้มันแปรปรวนไปแล้วก็ห้ามจิตฝึกจิตนี้ให้มันตั้งมัน่นอย่าให้มันแปรปรวนไปตามร่างกายให้มันตั้งมัน่นให้มันกําหนดรู้เท่าอยู่ว่าอาการแปรปรวนของร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ไม่ใช่ของใคร มันเป็นไปตามธรรมดาของมันเท่านั้นมันเป็นสังขารหรือว่าเป็นสภาวะธาตุมีความเกิดขึ้นแล้วเป็นเบื้องต้นก็มีความแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็มีความแตกดับในที่สุดก็สังขารทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อดกั้นทนทาน ไม่วันไหวไปตามความแปรปรวนของธาตุสี่ขันห้าอันนั้นไม่้าเยอทพยานดินน้นรนอยากแกให้ธาตุสี่ขันห้าอันนี้มันคงทนถาวร อ, อยู่ต่อไปการที่บุคคลใดเจ็บป่วยลงไปแล้วมีแต่วิตกวิจารอยากให้มันหายอยากให้มันดี เมื่ออยากให้มันแตกดับทำลายไปก่อนถ้าเกิดความอยากขึ้นในใจอย่างนี้นะตอนนั้นแะมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละเพราะถึงอยากอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็มีแต่ทุกข์มีแต่โศ ก, กอยู่ในใจอันนี้นะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตัญหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนะให้พึ่งรู้ไว้ อันนี้เรีว่าเป็นตัญหาที่ขั้นละเอียดเข้ามากลัวนั้นตัญหาขั้นหยาบนั้นได้แก่ตัญหาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจมาบมาเคยชมตัญหาละเอียดเข้าไปกว่านั้นก็ได้แก่ตัญหา อยากให้ร่างกายนี้อยู่ยั่งยืนนานไม่อยากให้ร่างกายนี้มีโรคภัย ไ, ไข้เจ็บมาเบียดเบียนหาทางป้องกันเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรลงก็ไปเชื่อเชิญหมอหมนกลคาถาหมอสะดอเดาะเคราะสะเดาะนาอะไรมาช่วย เ, เป่ามาช่วย เทะอะไรเจาะอะไรเข้าใส่ขับไล่สิ่งเสียจจันไรออกไปหรือทำพิธีสะเดาะเคราะห์สะเดาะน้ำตามคำผีพรามเขาว่าคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยลงน่ยมันเป็นเคราะห์ไม่ดีกัสะเดาะเคราะห์ อ, ออกไปเสียเดี๋ยวมันก็จะอยู่เย็นเป็นสุกหายโรคหายภัยไป นี่บุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงยอมหาวิธีป้องกันโดยไม่ถูกทางผู้ที่รู้ความจริงของสังขารและร่างกายดังกล่าวมานี้ได้เจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ต้องหาจุกขายยามารักษาหรือว่าไปเข้าโรงพยาบาลให้หมอเขาตรวจเช็ค แล้วเป็นยังไงหมอก็วางยาเข้าไปตามที่หมอเช็กดูรู้จักสมุฐานของโรคนั้นๆแล้วถ้าว่าหมอช่วยเหลือเต็มที่แล้วมันไม่หายมนันอย่างไงมันก็ไม่รังนับไปได้โรคภัยนี่เช่นนี้ก็ต้องนึกถึงกรรมถึงเวรถึงอย่างไรต้องเป็นกรรมเปนเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อน มันตามมาสนองเอาแน่นอนอกว่าเมื่อตนทํามาแล้วนะจะไม่ให้มันตามมาให้ผลจะได้อย่างไรอะก็ต้องอดต้องทนเอาอถ้าไม่อดไม่ทนแล้วก็จะเป็นเหตุให้ได้สร้างกรรมสร้างเวรอ่าใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกไม่มีสิ้นสุดเพราะธรรมดาคนป่วยเนี่ยมันใจไม่ดีอ่ เมื่อใครมากระทบกระทั่งเข้าหน่อยหนึ่งมันก็โกรธทำอะไรเขาไม่ได้ทางกายเพราะว่าทุกคนระพลงแล้วยังับวาจาโกสาแช่งเขาไปอย่างนี้นะมันก็เป็นกรรมเป็นเร น, น, นอีกแล้ววันนี้นะออมันเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่รู้เท่าท่าสี่ขันหนานี่มันเป็นเหตุให้ไดสะสมทั้งกิเลส ท, ทั้งบาปกำรรต่างๆนานานะให้เกิดขึ้น นี่กิเลสปาปรธรรมเหล่านั้นมันก็ก่อให้ทุกเกิดขึ้นในภพในชาติต่อไปเหมือนก็เป็นอยู่อย่างนี้บุคคลผู้มัวเมาประมาทไม่เจริญภาวนาไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้น<ม>ก็ย่อมมีแต่ทุกข์กับทุกข์นั่นแหละเกิดไปชาติใดพบใดก็ดีนี่ให้พึ่งพากัน สันนิษฐานดูตัวเองให้ได้ว่าตนเองน่ะเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารหรือเปล่าหรือว่าอยู่ไปเรื่อยๆเฉยๆ่างนั้นน่ะไม่ได้นึกคิดอะไรในเรื่องชีวิตอันนี้น่ะถ้าหาว่าเป็นเช่นนั้นแล้วก็แสดงว่าผู้นั้นน่ะเป็นคนเข่าจริงๆไม่มีปัญญาแม้แต่น้อยเดียวเลย พิจารณาตัวเองก็ไม่ได้ก็ควรจะตื่นตัวถ้าผู้ใดเป็นเช่นนั้นควรจะหาหนทางอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในตนนั่นแหละมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากลาบากเท่าใดนักการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี้ แต่ว่ามันก็ต้องว่าไม่ยากมันก็ยากอยู่ระบางนั่นแหละแต่ไม่เหลือวิสัยถ้าบุคคลอาศัยความอดความเพียรเป็นที่ตั้งแล้วนะเพียรทําความดีเข้าไปสิบรรดาความดีคือบุญกุศลทั้งหลายนั่นแหละมันเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาแล้วก็อย่าไปทําความชั่วอันนี้เพียรให้ทาน เพียนรักษาศีลไปเพียนเข้าวัดฟังธรรมฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อยๆไปมันก็กค่อยเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรืไม่ใช่ประโยชน์มันก็รู้ไปอย่างนั้นแล้วก็แถมถ้าได้นั่งภาวนาเข้าไปแล้วก็ยิ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญา อันสุขุมลุ่มลึกดีมากทีเดียวฮ ะ, ะนี่แหละบอกเกิดแห่งปัญญาให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่อย่างอื่นใดการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆทั้งทางโลกก็ดีทั้งทางธรรมก็ดีอันหมูนี่นะมันร่วนจะเป็นบอกเกิดแห่งปัญญาข้างนั้นนะแต่ว่าคนส่วนมากนะ ตกมาในยุคในสมัยนี้นี่มันเป็นสมัยวิวัตกรกับเปืือมแห่งชีวิตของมนุษย์คนที่มีอายุสั้นเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งกิเลสนะปัญญาอยากไม่อยากศึกษาเราเรียนวิชาความรู้อะไรเลยที่เกียจท่องที่เกียจจำถ้าไปเรียน ความรู้ในภาษาไทยหรือความรู้ในทางโลกอย่างนี้ก็เพียงแต่ว่าไปเล่นเล่นกับหมู่กับเพื่อนไปอย่างนั้นนะบางคนนะมันไม่เอาใจใส่กับหนังสือเลยไม่หัดเขียนไม่หัดอ่านถึงเวลาเข้าเรียนก็เรียนไปกับเพื่อนไปเขียนไปอย่างนั้นแหละแล้วแต่มันจะได้อ่านไปอย่างนั้นแหละไม่ได้สนใจว่าจะจดจะจำ เอาวิชาความรู้เหล่านั้นเลยจำกระจำไปพอขอไปทีพอไันั่นแหละได้นินดๆหน่อยๆไป เ, เมื่อออกจากโรงเรียนนั้นมาแล้วามาเข้าวัดมาบวชเป็นพระเป็นเนนเข้าไปอย่างาก็มาขี้เกียจขีา้าันท่องบนจดจเ า, าเอาทำเอาววนัย คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปได้บะเนี่ยเราอยากอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปเฉยๆนี่ไม่อยากทําอะไรเนี่ยแต่ว่า้ารสวดมนต์เนี่ยนี่ก็ขี้คลั่งนะบางคนบางพระบางรูปบางนั่นบางเนรบางองค์นะขี้คลั่งเลยไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาทําวัดสวดมนต์ให้ทันกับเวลา อึดอาดยืดยากเพื่อนทำกันไปแล้วนมนานูก็จึงค่อยขึ้นมาสาลาบางทีก็ไม่มาซ้ำนี่แหละความเกลียดคร้านเนี่ยมันจะพาให้คนเราตกทุกข์ได้ยากลำบากใครไม่กลัวทุกข์กับมันเอาไปเกลียดค้านไปเมื่นเข้าใจผิดในคนเหล่านี้ เข้าใจว่าเมื่อตนได้อยู่สบายสบายไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นความสุขนี่เข้าใจผิดถนัดเลยทีเดียวผู้ใดเข้าใจอย่างนี้มันมันตรงกับคติธรรมของโบราณท่านกล่าวว่าผู้ใดรักสุขมันก็จะทุกข์นัะนั่นแหละรักสุขอะไรละ่ะ รักถุขชั่วคราวสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการเล่นสุขในการเจียครค้านทำการงานนี่ <c oughs> ผู้ใดรักความสุขชั่วคราวเหล่านีนะ้มันจะได้รับความทุกอย่างทนทันนีในการต่อไปไม่ผิดเลยคำโบราณท่านกล่าวไว้ ซึ่งตรงกันข้ามกับคำโบราณในสมัยปัจจุบั น, นว่าผู้ใดจะมีความสุขก็ต้องเอาทุกเป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีระน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมจะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนธรรมฌานโครงเหล่านี้ก็พูดมาบ่อยๆแล้ว แต่ว่าผู้ฟังนั้นอาจลืมเร่อนไปก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาพูดอีกมันก็เป็นความจริงี่จะไม่จริงอย่างไรแล้วทานาจะได้ข้าวมานี่มาหุงมมาเปิดใส่ปากลงไปกระเพาะได้โอ้โหก็ต้องเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ปวดหลังปวดเอวไถนาขาดนาดำนาเกี่ยวข้าวอะไรมวกนี้นะนวดข้าวสารพัดทำการงานเหล่านี้ร้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยลองคิดดูกลัว <c oughs> ว่าจะได้ข้าวมาเลาเรียงอัตภาพร่างกายนี้ให้แข็งแรงเป็นปกติอยู่ไปได้ในโลกอันนี้นะ ก็ต้องเอาทุกเป็นทุนมามากมายแม้ทําการงานอย่าง อ, อื่นก็เหมือนกันนะถ้าจะพนันาไปแล้วก็ไม่จําเป็นหรอกเพียงแต่ยุกเรื่องทํานา น, นี่เรื่องเดียวเท่านั้นแล้ะก็เป็นกานว่าคงรู้ทั่วกันไปเลยนะวัะนนี้ไอ้ผู้ที่จะได้ประสบความสุขที่ท่านเรียกว่านิรามิตรสุขสุ ข, สขไม่อิงอาศัยกิเลสตัญหานี่ ก็ยิ่งต้องเอาทุกเป็นทุนทำความเพียรปฏิบัติตามทำปฏิบัติตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนและแต่งตั้งบัญญัติไว้ให้เต็มความสามารถเลยทีเดียวไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหนื่อยแตยังได้พยายามตั้งอกตั้งใจรักษาศีลเคารพต่อพระวินัย อย่างเต็มที่สิ่งใดที่มันขัดต่อพระวินัยแล้วแม้ตนจะอยากได้อยากบริโภคที่อดกั้นทนทานต่อความอยากความปรารถนาันนมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะเราก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนแหละทุกข์กับทุกข์ไปโู้มันไปเพื่อให้สินให้วิ ยี่ในของเราบริสุทธิ์พุตองด้วยดีนนในการเจริญสมสถาวิปัสนาก็เหมือนกันก็จยิจ่งเอาทุกเป็นทุนออกไปอีกเพราะการนั่งสมาธินี่เดียวก็ปวดแส้ปวด้าเดียวก็เจ็บหลังเจ็บเอวง่วงเหงาหาวนอนสะรพัดหมู่นเนี้ย มันก็เป็นในทุกทางนั้นแหละแต่เมื่อบุคคลไม่ท้อไม่ถอยสู้ถ้าไม่เหลือววิสัยจริงๆอดกัน้นทนทานนั่งเพ่งกายเพ่งใจอันนี้เพ่งใจที่เลื่อนลอยเนี่ยให้มันเข้าถึงความสงบให้ได้เมื่อใจเข้าถึงความสงบได้แล้วไอ้ความทุกข์ดังกล่าวมานันก็ค่อยคลายออกไป นั่นแหละเพราะว่าใจไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันแล้วใจปรงวางลงไปแล้ว ม, มันมันเป็นใจดวงเดียวแล้วก่นนี้นะมันไม่ได้ไปอาศัยสิ่งอื่นอยู่ธรรมดาใจนี่เมื่อมันรวมลงเป็นหนึ่งแล้วแสดงว่ามันโปรงมันวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วต่ว่าง่ายๆเ็เรียกว่าปรงวางรูปวางนาม มาทาอันนี้แหละเดี๋ยวก็วางอารมณ์ภายนอกที่ใจเคยยึดเคยถือมาแต่ก่อนนั้นออกไปเช่นนั้นใจมันก็จึงรวมลงเป็นหนึ่งได้เมืม่อเป็นเช่นนี้ความทุกข์ทางใจมันก็เบาลงไปเยอะแยะเลยทีเดียว อ, อันความทุกข์ของร่างกายนี่มันก็สงบไปเพียงชัว่วคราวเท่านั้นแหละ ช่วงระยะเวลาที่ใจมันรวมอยู่เท่านั้นหันพอใจมันถอนออกมาแล้วมันก็รู้สึกอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละร่างกายอันนี้มันก็แปรปรวนไปตามธรรมดาของมันนั่นแหละบันนี่ก็เป็นหน้าที่ของปัญญาบันนี้นะเอาปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปสอนให้จิตรู้ว่ า, าธาตสี่หันห้านี่มันบังคับไม่ได้ มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดดังนั้นไม่ควรที่จะไปเศร้าโศกเพี้ยใจดิ้นรนกระวนกระวายไปกับธาตุีขันห้าอันนี้เลยเพราะว่าถ้าดิ้นรนไปตามความแปรปรวนของขันห้านี่จิตก็เป็นทุกข์เปล่าๆปลถ้าไม่ดิ้นรน ล, นละ่ะกำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่หวนไไวไปตามมันอย่างนี้มันก็ไม่ทุกข์นะ เพราะว่าคาว่าทุกขังนั่นท่านแปลว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้อันร่างกายนี่มันบังคับมันไม่ได้มันก็ต้องแปปนไปตามหน้าที่ของมันไะแต่ส่วนใจนี่บุคคลสามารถฝึกได้ฝึกให้ตั้งมั่นได้แบบนี้นะนั่นแหละเราฝึกกันมาตั้งแต่ต้นนู่นมาโดยลาดับจนมาถึงภาวนาทำใจให้สงบจนถึงกับมาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น ปัญญากรสอนจิตนี่ให้รู้แจ้งขันห้านี่ตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นอย่างนี้นี่การระยะที่เจริญวิปัสนาอยู่นี่มันก็เป็นทุก์อยู่ไม่น้อยออแต่พอมันรู้แจ้งการเป็นจริงแล้วอย่างนี้นะว่าขันห่านี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรถือมันเมื่อมันรู้แจ้งขันห้าตามเป็นจริงอย่างนี้แนละ้วมันก็ยิ่งปล่อยยิ่งวาง เมื่อมันปล่อยวางขันห้านี่ไปได้เท่าไรจิตก็ยิ่งเป็นปุกสบายมีอิสระเป็นที่เลยเรีดกว่ามีอิสระอยู่โดยลําพังไม่เข้าไปยึดขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนไม่บน่นไม่วิตกว่าเราเจ็บตรงโน้นเราปวดตรงนี้เอเรากําลังจะตายอยู่เราร้อนมากเราหนาวมาก อะไรต่ออะไรหม่นี่นะจิตจะไม่วิตกไปอย่างนั้นเลยนี่เพราะมันรู้ชัดแล้วนี่วาก็เมื่อเมื่อขันห้าไม่ใช่ของเราแล้วก็จะไปวิตกสมมติว่าเรากำลังเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในขันห้านั้นทำไมแล้วนี่ปัญญามันก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้แหละเมื่อปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตมันก็รู้สิวะนี่นั่นนี่ ก็รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงแล้วมันก็ปรงก็วางลงก็ไม่วิตกวิจารต่อไปก็เพียงแต่กำหนดรู้ว่าขณะนี้ขันห้ามันกำลังเปรย์ปรวนไปหาความแตกดับบางคราวมันมันก็ไม่แตกไม่ดับมันแปรปรวนไปชั่วคราวแล้วมันก็สงบลงได้แต่ขันหมด เหิดหมดปัจจัยคือหมดบุญกุศลแต่หนหลังมาจริงๆแล้วมันก็ทนอยู่ไม่ได้แนตะ่มันต้องแตกต้องทําลายลงก็เป็นอย่างนี้นะเรื่องชีวิตนี่นะเป็นอย่างนี้แหละความจริงของชีวิตเราจะไปสงสัยอะไรแล้วนั่นแหละข้อสำคัญมันก็อยู่ที่ว่าคนส่วนมากเนะี่ยมันไปรู้อํานาจแก่ความอยากอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละ มันไม่ยอมต่อสู้กับความอยากไม่ยอมทำความเพียรขจัดความอยากออกจากใจตัวเอง<ม>ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะ่ะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เนะี่ยเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็จริงว่าควรพากัน ร, รักษาดวงจิตตรงนี้ให้มันได้ เมื่อได้ฝึกฝนจิตดวงนี้ให้เข้าถึงความสงบได้ตามกำลังได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวมานั้นแล้วก็พยายามรักษาสมาธิอันนิไว้ให้ได้เป็นอย่างั้นแล้วก็พยายามรักษาปัญญาความรู้ความฉลาดดังกล่าวมานั้นไว้ให้ได้หมายความว่า พยายามมีอุบายสอนจิตใจตัวเองเสมอเสมอไปสอนไม่ให้มันรู้อำนาจแก่ความอยากในความปรารถนานี่แหละเดี๋ยวสอนไม่ให้มนุษย์อำนาจแก่ความอยากความปรารถนาไปในทางที่ไม่ดีในเบื้องต้นน่นนะในทางที่เป็นบาปเป็นโทษเมื่อมันแล้ครับความอยาก อันเป็นไปในทางบาปกรรมความชั่ว ด, ดังกล่าวมานั้นได้แล้วเอก็มาใช้ปัญญาสอนให้มันละความอยากผูกพันอยู่กับธาตุสี่ขันห้าอันนี้อืมมันอยากให้ขันห้านี่อยู่ยั่งยืนนานอตั้งมั่นอยู่ตลอดไปนี่อย่าให้ขันห้านี่สวยสดงดงาม อยากให้มีอายุยืนยาวนานอะไรหมดนี้นะนี่เรียกว่าเป็นความอยากอย่างกลางนะก็ต้องอาศัยปัญญานะนะั่นสอนใจให้มันรู้ว่าไอความอยากเหล่านี้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเหมือนกันเพราะว่าจะอยากอย่างไรร่างกายอันนี้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังมันอาศัยเหตุปัจจัยเมื่อหมดเหตุหมดปัดจจัยแล้ว สังขารร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เต่ต้องแตกดับทำลายไปเวลาที่เหตุปัจจัยยังไม่หมดมันก็ดูเหมือนว่าเป็นปกติไปอยู่อย่างนี้หลยที น, นี้พอเหตุปัจจัยคือบุญกรรมต่างๆเหล่านั้นนะมันน้อยลงน้อยลงแล้วอย่างนี้ร่างกายอันนี้มันก็ทุดโทรมลงไปไเรื่อยๆ ก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั้นนะตาเคยสว่างสวัยมาแต่ก่อนก็มัวเข้าไปหูเคยได้ยินเสียงชัดเจนดีมาแต่ก่อนก็อื้อไปละได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเข้าไปละจมูกเคยสูดกลิ่นได้ชัดเจนเต่อมาก็การสูดกลิ่นก็ไม่ชัดเจนเหมือนแต่ก่อนแล้ว ลิ้นเคยรับรสอาหารอริดอร่อยดอีเข้มข้นดีแต่ก่อนมาเมื่อร่างกายชำรุดโทลงไปแล้วการรับรสอาหารนั้นไม่อร่อยเข้มข้นเหมือนอย่างอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคน อ, อย่างนั้นเน่ยเรียกว่ารสชาติของอาหารนั้นค่อยค่อยน้อยลงน้อยลงไป ไปอย่างนั้นไอ้ร่างกายสังขารอันนี้เมื่อมันทำรุษทุดโทมลงไปแล้วอย่างนี้อ่มันอะไรถูกนิดนิดหน่อยๆน่อยก็เจ็บก็ดปวดไม่เหมือนเมื่อเวลายังวัยหนุ่มวัยกลางคนอันนั้นถ้าอะไรกระทบกระทั่งพอดีพอ้ายมันไม่ค่อยรู้สึกเจ็บปวดมากมายอะไรนะ แล้วก็จะธะนุบํารุงอย่างไรจะหาอาหารดีๆอย่างไรมาบํารุงมันก็ดีจะหาย า, อ, าอะไรมาบํารุงมันเท่าไหร่ก็ดียาที่ดีๆที่ราคาแพงๆนะเอามารับประทานอาหารอร่อยมากๆมารับประทานยังไงมันก็ไม่คงทนอยู่ได้ร่างกายอันนี้ มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็ไม่แ็งแรงขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละเพราะว่าอะไรเรามันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบุญเก่านั้นที่มันลอยล้อลงไปแล้วอะนั่นแหละจังว่าชีวิตของคนเราเนี่มันอยู่ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลแต่หนหลังนู่นที่ตนทามามันตามมารักษาบำรุงไว้คันพ่อบุญพอบุญเก่านั้นนั้น ล่อยล่อลงไปแล้วแม้เราจะเอาอาหารการบริโภคอะไรหยุกยาวิเศษอะไรในโลกนี้ไปบำรุงมันจะให้มันดีงามขึ้น เ, เหมือนเดิมนั้นไม่ได้เลยนี่มันก็เป็นความจริงนันหนึ่งแต่ว่าคนไม่ค่อยคิดไม่ค่อยพิจารณากันดอกเหตุนันอ่มันถึงไม่เบือ่อไม่น่ายไม่คลายความยึดความถือในรูปในนามในขันหา้าอันนี้ได้เรณิพัสนาเนี่ยมันก็ต้อง พิจารณาแยกแยะดูอัตภาพร่างกายโดยในต่างๆดังกล่าวมานี่นะไม่ท้อไม่ถอยเพราะว่าใจนะเมื่อมันหลงมันเมาอยู่มันก็เข้าใจผิดไปของไม่เที่ยงมันก็สำคัญ เ, เป็นของเที่ยงไปอย่างนี้เหลอสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นทุกข์ทนยากลำบาก มันก็ยังเห็นว่าเป็นความสุขสนุกสนานไปอยู่อันความรู้สึกในใจนั่นนะในเมื่อมันหลงมันเมาเต็มที่แล้วมันเป็นอย่างนั้นสังขาร น, นามรูปอะนนี่นะมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็ยังสำคัญคิดว่าเป็นของบังคับได้เป็นตัวเป็นตนอยู่ไ อ, อ้ร่างกายสังขาร อันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทุกส่วนนี้แต่รูปแต่ไม่สวยไม่งามมันก็ยังเห็นว่าเป็นของสวยของงามอยู่อย่างนั้นนี่ใจที่มันปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงา ม, มากๆเข้าไปแล้วมันก็เกิดความเข้าใจผิดอย่างนี้แหละโลกมนุษย์ของเราส่วนมากเป็นอย่างนั้นเหมือนถึงได้เป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมา ต้องแย่งซื้อแย่งขายกันอยู่อย่างนี้นะอะการที่สร้างบ้านสร้างเรือนน่ะไม่ใช่ว่ามันเป็นสุขสบายเมื่อไหร่เรามันแสนทุกข์แสนยากบางทีก็เลยอเอาไร่เอานาไปขึ้นเอาเงินสหกรอนมาอะเอามาสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วก็หา ดอกเบี้ยใช้เขาไม่ได้บ้านี้ดอกเบี้ยมันก็พ่วมทนขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนดินพอกหางหมูในที่สุดเมื่อหาเงินใช้ดอกเบี้ยเขาไม่ได้ต้นทุนก็ไม่ได้ผ่อนอะไรเลยอย่างเมื่อครบตามสัญญาแล้วเขาก็ฟ้องยึดทรัพย์ ไหลนาะรั้วสวนก็ตกเป็นของเขาไปเลยไม่นี้มีโยธมไปถ้าจะพัฒนาถึงความย่อยยับแห่งชีวิตของคนเราเนี่ยมันมากมายไ ม, ม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ยกมาที่แจงสู่การฟังเป็นบางเรื่องเท่านั้นเองนี่แ่ะเรื่องของปัญญาเนะี่ยเมื่อมันใช้วิจารณญาณพิจารณาไปเห็นอย่างนี้ มันก็จะเบื่อหน่ายในชีวิตอันนี้เบื่อหน่ายในตัณหาความทะเยอทะายานอยากอันไม่มีขอบเขตอันนั้นมันก็จะบรรเทาตัณหานั้นลงได้อถ้าเป็นคเรหัดผู้คลองเรือนก็จะไม่ล่วงถินเพราะความอยากความปรารถนาเอดังกล่าวมานั้น ก็จะอยากอยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ร่วงทำไม่ร่วงวินัยเราจะร่วงไปเอาทําอะไรแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะอํานวยความสะขให้ในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสดังกล่าวมานั้นมันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทางนั้นนี่ อได้มาแล้วก็ใช้ไปบริโภคไปก็หมดไปมื่อนี้นะบุคคลมาเจริญปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเอมันก็บรรเทาตัณหาเหล่านั้นลงได้เลยเมื่อตัณหาอันยามยาวนั้นมันบรรเทาลงได้ยังเหลือแต่ตัณหาส่วนละเอียดมันก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปมันก็ปรองก็วางกันลงไปเรื่อยๆในที่สุดตัณหามันก็หมดไปหมดไป เมื่อตันหาหมดทุกข์ก็ดับหมดดังแสดงมาเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทคนทุกวันจริงคนทุกวันเนี่ยยิ่งตายเร็วพุ๊บป๊ปตายไปเลยมีอยู่ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวเสมอไปอย่าไปไว้ใจสีเวส ว่าเรายังจะไม่ตายก่อนอย่างนี้เป็นความประมาทพร้อมเป็นผู้ที่มีสติจเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่เสมอนั่นแหละคือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเมื่อเรามีสติสํารวมจิตใจให้แน่วแน่อยู่กาหนดรู้อยู่ ก็ร่างกายนี่เป็นของแตกของดับอยู่อย่างนั้นมันก็จะไม่หลงหยึดหลงถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเวลาถึงความตายมาถึงเข้าจะตายโดยปัจจุบันทันดวนก็ดีมันก็ไม่ลืมตัวไม่เผลอสติเพราะว่าเป็นผู้ระวังอยู่เสมอ เป็นผู้เตรียมตัวอยู่เสมอนียผู้ใดไม่เตรียมตัวอยู่เสมอผู้นั้นคือว่าเป็นผู้พรหมาตคอยจิตให้ไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งต่งตางๆในโลกนี้พอตายลงนี่ก็ไปไหนไม่ได้แล้วจิตวิญญาณก็วนอยู่กับสิ่งที่ โนผูกพันอยู่นั่นแหละนี่ต้องระวังให้ดีตรงนี้แหละสำคัญนะและอีกอย่างหนึง่งความเป็นผู้ประมาทไม่พยายามกำหนดละอารมณ์ที่ทำจิตให้วุ่นวายเดือดร้อนต่างๆอันนี้ก็สำคัญนะ ไปยึดเธอเอาเรื่องที่ไม่มีสาระประโยชน์ไว้ในใจแล้วใจก็วุ่นวายเดือดร้อนกำหนดละอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่เป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ควรระวังเพราะว่าบุคคลผู้ยังละความหลงไม่หมดเวลามันหลงมันเพอ ม, มา มันก็เห็นอารมณ์ต่างๆเ ป, เป็นตัวเป็นตนไปเป็นดีเป็นชั่วไปก็อุ่นวายเดือดร้อนไปเสียใจดีใจไปอย่างนี้นะเนี่ย เ, เรียกว่าความหลงในสติปัฏฐานนั่นะธรรมารมณ์ทั้งหมดนั่นะก็สักแต่ว่าธรรมารมณ์ ไม่ใช่ตัดผุกคนตัวตนเราเขานี่มันก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาจริงๆก็มันจะมีอยู่ที่ไหนละมันไม่มีรูปร่างอะไรซ้ำนะธรรมารมที่เกิดกับใจในแค่ความคิดความคิดอันนั้นมันก็เกิดขึ้นแล้วกระดับไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรก็ให้กำหนดรู้ ธรรมารมณ์ที่เกิดกับใจเมื่อรู้ว่ามันมีเกิดมีดับอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะไม่ยึดไม่ถือจิตนี้นะมันเห็นเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลอยู่เรื่อยไปมันก็ไม่ยึดมัน่นถือมั่นในอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วต่างๆที่จิตลุ่มหลงปรุงแต่งขึ้นมาเดี๋ยวกำหนดรู้เท่าออื ไม่ถือมัน่นไว้ในใจอันนี้แหละสาคัญอันหนึง่งคนเรานะ่ะมันกจะหลงความคิดตัวเองนี่แหละจริงสิเดียวหลงความคิดตัวเองเป็นส่วนมากตัวเองคิดขึ้นแล้วตัวเองก็หลงไหลไปตามอคิดเรื่องหน้าเสียใจขึ้นมาก็เสียใจไปตามคิดถึงเรื่อง ดีอกดีใจมา ก, กดีอกดีใจไปตามนี่แหละท่านเรียก ว, ว่าหลงความคิดตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีสติสำรวมจิตไว้ภายในเมื่ออารมณ์ใดเกิดขึ้นมาแล้วพิจารณาให้มันเห็นว่าดีก็ดีชั่วกว็ดีมันก็เกิดก็ดับอยู่นั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร เมื่อรู้อยู่อย่างนี้นะมันจิตมันก็ไม่หลงยินดียร้ายไปตามอารมณน์นั่นนะั้นนี่นะเนี่ยให้พากันเข้าใจอาสัยจิตตั้งมั่นนี่แหละสำคัญนะที่มันจะรู้เท่ารู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆในสังขารต่างๆที่บังเกิดขึ้นทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งหยาบทั้งละเอียด ปนิตอะไรต่ออะไรเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอะไรเกิดขึ้นมามันรู้แจ้งมันรู้เท่าได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมันไม่รู้เลยมันพลิกไปตามอารมณ์นั้นๆไปตามเรื่องนั้นๆทันทีมันไม่ยืนหยัดอยู่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะฉะนั้นข้อสาคัญยิงว่าให้พากันรักษาสมาธิไว้ให้ได้ รักษาจิตให้เป็นปกติอยู่ตลอดเวลาไม่เฉพาะต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเวลาธรรมดาเราก็มีสติรู้จิตตัวเองอยู่ประคองจิตตัวเองอยู่อย่างนี้นะประคองจิตไว้ให้เป็นปกติโยอย่าให้มันหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น ไอเรื่องอย่างนี้นี่มันต่างคนต่างต้องมีอวัยเย็ภายในใจของใครของหลงมันช่วยกันไม่ได้ต่างคน ต, งต่างต้องช่วยตัวเองต้องบังคับตัวเองต้องบังคับตัวเองให้หยุดให้นิ่งอยู่ภายในไม่ให้หลงไหลไปตามอารมณ์ภายนอกต่งางๆทำเมื่อทาได้อย่างนี้นี่ จิตมันก็ค่อยจะหนักแน่นเข้าไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นจะไปคอยให้มันหนักแน่นเองล้วไม่ได้จิตใจนี่นะเราต้องช่วยตัวเองนะต้องกาหนดจิตตัวเองลงไปเมื่อจิตตั้งมันนเ้วต้องมีสติประคองไว้ถ้าถ้าสติเลวไหลล้วก็เอาละจิตก็ล้มไปอีก เอมันไปอย่างนี้ดังนั้นจิตมันจะตั้งสม่ำเสมออยู่ได้เพราะอาศัยสติสมัมปชัญญะนี่แหละอสติระลึกได้ระลึกว่าจิตตัวเองตั้งมั่นอยู่สมัมปชัญญะเขารู้ตัวอรักษาจิตที่ตั้งมั่นนั่นไว้ไม่ให้มันรอกแวก ไปตามอารมณ์ต่างๆนี่มันต้องให้เข้าใจอย่างนี้การที่จะทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปได้นั่นมันต้องนั่นแหละมันต้องควบคุมจิตนี่อยู่เลยไปไม่ให้จิตมันตกต่ำลงไปให้จิตนี่มันตั้งสม่ำเสมอไปให้ได้ เมื่อจิตตั้งอยู่ด้วยดีแล้วเราพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งอันนันตามเป็นจริงอย่างนี้นะอะไรเหตุอะไรมาถึงเข้ามันก็พิจารณาได้รู้ได้แต่ย่างนั้นรู้ก็ไม่ใช่รู้อย่างอื่นรู้สิ่งต่างๆก็เป็นอนิจจังทุกขังอรตาทั้งนั้นแหละไม่มีอะไร เป็นเป็นแปรสภาพเป็นอย่างอื่นไปไม่มีจะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วได้ไ้ก็ตามก็อยู่ในลักษณะสามประการนี้ทั้งหมดเลยนี่แหละที่จะทำให้จิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ด้วยดีพอรู้แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วแปรเปลนแสกดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นต น, เ ป, นเป็นรูปเป็นร่าง จิตมันรู้มันเห็นอยู่อย่างนี้มันถึงไม่วันไหวไปตามเรื่องดีเรื่องชั่วของโลกเรื่องมันถ้าหาว่าไม่รักษาความรู้ความเห็นอย่างว่านี่ให้ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่แล้วนั่นแหละเวลาจิตวันไหวไปมันก็เผลอหลงไปตามสมมุติเาขาว่าดีกว่าดีไปตามเขาว่าชั่วกว่าชั่วไปตามจิตก็วันไหวไปพร้อม อันนี้นะมันให้พากันเข้าใจมันไม่ถูกทางแล้วถ้าจิตหลอนไหวไปแนั้นก็ให้เตือนตนนะบอกว่าไม่ถูกทางแล้วที่ถูกทางคือจิตตั้งมั่นไม่วันไหวอต้ก็ให้เตือนตนอย่างนั้น ถ, ถ้าตนสามารถทำจิตให้ตั้งมั่นได้ไม่วันไหวไปตามกระแสของโลกอย่างที่ว่านั้น คือว่าเราเดินผูกทางก็พยายามรักษาจิตที่มันตั้งมั่นอยู่นั่นให้มันส ม, ม่เสมอไปแต่คนส่วนมากมันรักษาจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่แล้วมันรักษาไว้ไม่ได้เดี๋ยวก็ทําให้จิตใจนั่นวันไว้ไปตาม กระแสของกิเลสต่างๆอันนี้เร ต, ต้องระมัดระวังให้ดีต้องระวังอยู่เรื่อยไปการรักษาอะไรในโลกอันนี้สู้รักษาจิตไม่ได้ให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนั้นรักษาอย่างอื่นมันก็ยังง่ายเช่นรักษาเงินทองอันนี้นะ ก็เอาไปฝากธนาคารไว้ทางทรัฐบาลเป็นประกันถ้ามันเสียหายรัฐบาลก็รับใช้เราก็ไม่ได้หนักใจกับเงินทองนั้นเท่าไหร่เพราะว่าสามารถรักษาให้ดีได้แต่ส่วนจิตใจสิถ้าบุคคลผู้ประมาทแล้วรักษาจิตตัวเองไว้ไม่ได้ ลอยให้จิตเลื่อนลอยไปทั่วเลยอย่างนี้โดยตัวเองก็นึกรําคาญตัวเองก็มีม่คิดไม่หยุดไม่หย่อนจะรังับความคิดตัวเองก็ไม่มีปัญญาฮะก็เลยเกิดความลาคาญหงูดหงิดในใจไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันอยู่อันกินอันนี้แหละมันเดินผิดทาง หากว่าจิตใจมันวุ่นๆุ่นเป็นอย่างนั้นนะก็อย่าไปอย่างอื่นได้ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นอย่างเดียวเท่านั้นแหละกาหนดรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเดียเเ้ยวไอเลี้ยววุ่นวุ่นทั้งสัตแล้วมันก็คลายออกมันก็ดับไปอเพราะว่าใจไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยหายใจเข้าเราก็มีสติ ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้หายใจออกไปก็มีสติประคองความรู้สึกอันนั้นอยู่ยนี่น ะ, ะเมื่อสติมันกากับความรู้สึกคือดวงจิตนั่นอยู่ยนี่จิตนั่นมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้คิดไปทางอื่นแล้วนี่มนันเป็นอย่างนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้คิดไปทางเอื่นมันก็อยู่เท่านั้นเองเนะี่ย ถ้ามันไม่คึ้นไปทางอื่นแล้วมันก็อยู่อ่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้รักษาพากันรักษาสมาธิเนี่ยไว้ให้ได้แต่คนส่วนมากมนรักษาสมาธิไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่นี้เมื่อจิตไม่สงบแล้ว ว, ว, ว, ว่า อ, อ๊ะอยู่ที่นี้ไม่สบายเพราะว่าเ พ, าเพง่งไปถ้าไปอยู่ที่โน้นเห็นจะสบายดีเพราะว่า